ผมสั่งให้คนใช้อันเป็นกเกรเลียงของผมไปช่วยเขาและเมื่อเขาถูกนำเข้ามาพวกคุณทายถูกไหมครับว่าเขาควรจะเป็นใครจอมพรานถามขึ้นขณะที่มองดูหน้าผู้ที่ร่วมฟังเขาเล่าอยู่ในขณะนี้เนวินพมา่านักเดินป่าคนนั้นกำลงังหม่อมราชวงเชิฐถาพูดต่ำๆสีหน้าของทุกคนที่ฟังเขาเล่าอยู่ในขณะนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสงใจยิ่ง ระผินก้มศรีศรษะลงครับเนวินหนุ่มนักเผชิญโชคชาวพม่าคนนั้นหรือมิฉันนั้นถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็เป็นหนังที่หุ้มกระดูกของเขาใบหน้าของเนวินยามนั้นเหลืองจัดด้วยโรคดีซ่านและไข้ป่าดวงตาสีดำเหลือกลานเนื้อของเขาดูเหมือนจะหายไปหมดสิน้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากหนังอันเหลืองแห้งที่หุ้มกระดูกอยู่ผมของเขาที่เคยเป็นสีดขาขณะนั้น กลายมาเป็นสีเทาน้ำเขาร้องครวญครางขึ้นแผ่แผ่ฟังแทบจะไม่รู้เรื่องผมเห็นริมฝีปากของเขาแห้งผากแตกเป็นสะเก็ดลิ้นสีดําคล้ำยื่นออกมาจุกอยู่ที่ริมฝีปากผมเอาน้ําจากกระติกประคองจรดกับริมฝีปากของเขาเนวินดื่มมันอย่างกระหายจนหมดแล้วอาการของเขาก็ซุดหนักลงอีกผมจัดที่ให้เขานอนเขาก็เริ่มเพ้อถึงเรื่องเทือขาพัศยวะและมหาสมบัติ ป่าลึกโดงดิบผมช่วยเหลือเยียวยาเขาไปตามมีตาเกิดทั้งที่ผมก็รู้ว่าจะอย่างไรเสียในคืนนั้นเขาก็คงจะต้องถึงแก่ความตายแน่ๆประมาณเกือบเที่ยงคืนอาการของเขาสงบความรุนทุรนทุรายกระสับส่ายลงบ้างหลับนิ่งไปชั่วครู่ขณะที่ผมตื่นขึ้นอีกครั้งเป็นเวลาใกล้ลุ่งจากแสงตะเกียงลวที่ผมจุดทิ้งไว้หน้าแคมป์ ผมมองเห็นเ네นวินกำลังลุกขึ้นนั่งด้วยลักษณะอาการประหลาดและจ้องฝ่าออกไปยังดงดิบที่มีขุนขาวเป็นทิวทิวรมืนขวางกั้นอยู่ริบๆขณะนั้นรัศมีอ่อนๆของดวงอาทิตย์เริ่มกระจายขึ้นอาบแผ่นฟ้าทำให้มองเห็นผ้าภายนอกแคมป์ได้รางๆมันอยู่ที่นั่นเน네วินอยู่ ใ, นในกล้กับการมรณะร้องลั่นออกมาพร้อมกับชี้มืออันมีแต่กระดูก ข, ของเขาออกไป แต่ฉันจะไม่มีวันได้ไปถึงมันอีกแน่นอนและก็จะไม่มีใครสามารถไปถึงมันได้เลยแล้วเขาก็หยุดชะงักรู้สึกว่าเขากำลังพยายามรวบรวมสติพลังใจแน่วแน่เป็นครั้งสุดท้ายตาจ้องจับอยู่ที่ผมผู้ปกครองเขาอยู่เพื่อนยากคุณเองหรอกหรือตาผมฝาดไปหรือเปล่าทาใจดีๆไว้เนวินนี่ผมเองระพินสหายของคุณ นอนพักเสียเถอะผมกําลังจะพักในไม่ช้านี่แหละเขาพึพมพำตาที่โบกโพรงค้างกระด้างจักอยู่ที่ผมอย่างปราดจากแววจะเป็นการพักที่ไม่มีวันสิ้นสุดผมรู้ตัวดีระพินผมกําลังจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วคุณดีกับผมหรือเกินก่อนที่ผมจะตายผมอยากจะมอบไรห้คุณสักอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนในข้อที่ว่า ผมได้มาตายอยู่ในความเอื้ออรีของคุณสิ่งที่ผมจะให้คุณก็คือลายแทงบางทีคุณอาจบุกบ่านฟันฝ่าไปจนถึงที่นั่นได้ถ้าหากคุณสามารถเดินทางผ่านความยากแค้นทุรกันดาลของดงมหาการที่ได้ฆ่าผมมาแล้วนี้สำเร็จพร้อมกับพูดเขาพยายามที่จะร่วงลงไปในอกเสื้อเดินป่าเพื่อดึงเอาสิ่งหนึ่งออกมา ซึ่งผมคิดว่าคงจะเป็นถุงสำหรับใส่ยาสูบของพวกพมา่าทำด้วยหนังสัตร์จำพวกกวางผูกติดไว้ด้วยเชือกหนังยาวๆเส้นหนึ่งเมื่องัดออกมาได้เขาก็พยายามที่จะแก้มันออกแต่ไม่สำเร็จมือเขาขณะนั้นแข็งไปหมดแก้ทีสิเขาขอร้องผมผมจึงแกะออกพบว่ามันเป็นแผ่นหนังบางๆเก่าข้าคข้าบนแผ่นหนังโบราณแผ่นนั้น จารึกไว้ด้วยตัวอักษรอันเป็นอักขระพม่าสมัยโบราณดูเราะเรือนเต็มทีและก็มีกระดาษอยู่อีกแผ่นหนึ่งกระดาษแผ่นนั้นคือความหมายอันเป็นคำแปลทั้งหมดของอักขระในหนังแผ่นนั้นเนวินพูดด้วยเสียงแหบแผ่วเพราะอาการของเขาสุดรงเป็นลำดับมันกินเวลาหลายปีกว่าที่ผมจะศึกษาอ่านมันออก โดยแกะมันออกมาทีระคมด้วยความพยายามฟังนะเพื่อนยากบรรพระบุรุษแต่ครั้งโบราณการของผมเป็นนายทหารชั้นแม่ทัพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองที่หนีราชภัยออกจากกรุงหงสาวดีเป็นชาวพม่าคนแรกผู้ซึ่งสามารถบุกบันมาถึงป่าดงดิบในแถบนี้อักขระเหล่านั้นที่ปรากฏอยู่บนแผ่นหนังเขาได้เขียนขึ้นไว้ในมือของเขาเอง ในขณะที่เขากำลังจะตายบนเทือกเขาดีรับโน้นซึ่งไม่เคยมีมนุษย์คนใดย่างกลายเข้าไปถึงเขาคือมังมหานรธาผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ400ปีก่อนโนนทาตของเขารอคอยเขาอยู่อีกด้านหนึ่งของเทือกเขาได้ไปพบเมื่อเขาตายเสียแล้วจึงนำอารายแทงกลับไปยังทิ่นเดิมที่เหมาะลำเริง มันจึงเป็นสมบัติตกทอดอยู่ในตระกูลของผมมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ไม่มีใครสนใจที่จะไปอ่านความหมายของมันจนกระทั่งตกมาถึงสมัยของผมซึ่งได้พยายามอ่านมันจนสำเร็จแต่แล้วรายแทงนี้ก็นำความบิบบัิมาสู่ตัวผมเองถึงผมจะตายผมก็มีความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคนพยายามจนสำเร็จ และคนคนนั้นก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกคุณรักพิเถินรพินนี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ผมจะให้กับคุณเก็บรักษาไว้กับตัวคุณเองอย่าแพร่งแายให้ใครรู้เป็นอันขาดแล้วเขาก็เริ่มทุรนทุรายอีกและต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ถึงแก่กรรมเขาตายอย่างสงบผมจัดการฝังศพเขาไว้ที่ชายโดงแห่งนั้นอย่างลึก และใช้ก้อนหินก้อนใหญ่ก็หนึ่งทับอกเขาไว้เพื่อแน่ใจว่าจะพวกสัตว์ป่าจะไม่สามารถขุดศพเขาขึ้นมาได้แล้วผมก็ออกเดินทางมาจากสถานที่นั้นรพินไัยหวานหยุดเว้นระยะการเล่าด้วยการยกแก้วบรันดีขึ้นจิบท่ามกลางการสงบฟังอย่างตื่นตะลึงของทุกคนหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินหันไปมองดูตาพี่ชายและเพื่อนหนุ่มเรือกตางามของหล่อนซอยทีท เชษฐากัดลิมฟิปป่าส่วนชัยยานและอัมพลผู้อำนวยการลินบรันดีให้ตนเองยกขึ้นดื่มจนหมดแก้วเรื่องพิสดารมากทีเดียวครับผู้อำนวยการบริษัทไทไวท์ไรท์อันเป็นเจ้าภาพของการพบปะครั้งนี้คลางออกมาแล้วเอกสารฉบับนั้นล่ะหม่อมราชวงศ์เชษฐาถามขึ้นเบาๆนั่นสิพันตีชัยยานเสริมโดยเร็วอย่างกระตือรือร้อน เอกสารที่เนวินมอบให้คุณก่อนตายเหล่านั้นมันหมายความว่ายังไงพรานใหญ่ค่ําใครครวนอยู่ครู่หนึ่งก็บอกว่าเอาละเมื่อพวกคุณสนใจผมก็จะบอกให้ได้ทราบไว้ความจริงผมไม่เคยแพ่งพายเรื่องนี้หรือเอาให้ใครดูเลยนอกจากพ่อค้าฝิ่นชาวพม่าที่เมาคนหนึ่งซึ่งผมวานให้เขาแปลให้ผมพอแปลเสร็จเขาก็ลืมมันเสียในช่วงเวลาคืนเดียวนั่นเอง สำหรับแผ่นหนังลายแทงอันเป็นต้นฉบับเดิมนั้นผมเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักอันเป็นสถานีดักสัตว์ของผมที่หนองน้ำแห้งรวมทั้งฉบับที่แปลแล้วของเนวินแต่ผมมีฉบับที่แปลแล้วเป็นภาษาไทยติดอยู่ในซองธนบัตรอยู่ในกระเป๋าของผมนี่พร้อมทั้งแผนที่จำลองนี่ยังไงครับพร้อมกับกล่าวและพินล้วงกระเป๋าหลังหยิบซองธนบัตรขนาดใหญ่ออกมา ดึงเอาสารแผ่นหนึ่งที่พับไว้เรียบร้อยส่งไปให้หม่อมราชวงศ์เชีฐดถาทุกคนชะโงกหน้าเข้ามามุงหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินจึงดึงไปจากมือพี่ชายและทาหน้าที่อ่านดังๆข้าพเจ้ามังมหานราธาผู้ซึ่งกำลังจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วด้วยความหิวและความเจ็บไข้ในถ้มเล็กๆทางด้านเหนือ ของเต้าโนมด้านใต้สุดของภูเขาสองรูปข้าพเจ้าขอใช้ชื่อมันว่าฐานพระอุมาข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนี้ขึ้นนะปีพุทธศักราช2120ด้วยเศษกระดูกของจงอยปากนกสิ่งที่ข้าพเจ้าใช้เขียนส่วนหนึ่งของย่ามติดตัวที่ทําด้วยหนังโดยใช้เลือดของข้าพเจ้าเองแทนหมึก หากธาตของข้าพเจ้ามาพบมันขณะที่เขามาตามหาข้าพเจ้าเขาจะได้นำมันกลับไปยังเมตต์ดําเริงขอให้สหายของข้าพเจ้าชื่ออ่านไม่ออกจงนําเอาเรื่องราวนี้ขึ้นกราบบางคนทูลต่อพระเจ้ากรุงหงสาวดีผู้ทรงพระปัญญาเพื่อพระองค์จะได้เสด็จญาตตาทัพมาตามรายแทงนี้หากว่ากองทัพของพระองค์ไม่แลกรานเสียก่อน ในป่าดงขุนขาวอันกว้างใหญ่กันดารและลีรับเต็มไปด้วยสพรพอันตรายและสามารถบุกเข้าไปจนถึงดินแดนแห่งความโหดเยี่ยมทารุณอันเต็มไปด้วยผูดผีและอาคมแห่งมรกตนครพระองค์ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกข้าพเจ้าได้เห็นมหาสมบัติขุมเพชรอันเหลือคณาภายในขุมทรัพย์พระอุมานี้แล้วด้วยตาของข้าพเจ้าเอง ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก่อนการมรณะของข้าพเจ้าแต่โดยการทรยศหักหลังของวานิวาชิกานางแม่มดมหาอุบาทข้าพเจ้าจึงไม่สามารถนาออกมาได้แม้แต่ชีวิตของข้าพเจ้าเองขอให้ท่านผู้ที่มาตามทางในลายแทงนี้จงพยายามฝ่าความกันดาลของถันพระอุมาทางเบื้องซ้าย จนบรรลุถึงยอดเขาเต้าโนมแห่งขุนเขาลูกนี้ทางด้านเหนือของมันจะเป็นถนนราบเรียบกว้างใหญ่ที่พระศิวะได้สร้างไว้จากนั้นเป็นเวลาสามวันในการเดินทางตามถนนสายนั้นก็จะบรรลุถึงมหาปราสา์ของพระอุมาเทวีขอให้เขาจงสังหารแม่มดวาชิกาเสียด้วยเป็นการแก้แค้นให้แก่วิญญาณของข้าพเจ้ารากร มังมหานรธาทุกคนอึ้งแต่หญิงสาวผู้ทาหน้าที่อ่านดังๆผิวปากหวือออกมาเมื่ออ่านจบสีหน้าพลายไปด้วยรอยยิ้มขันขันคุณรพินหล่อนเ อ, อ่ยเรียกนามเขาชัดเจนเสียงใสกลั้วไปกับอาการหัวเราะน่าเสียดายเหลือเกินที่คุณไม่ได้เอาต้นฉบับเดิมที่เขียนขึ้นด้วยมือของมังมหานรธาเองมาให้เราดูด้วย แววตาเระรอยยิ้มของรอนเต็มไปด้วยการเย่อหยันขออภัยเถิดครับเขาหัวเราะต่ำๆอยู่ในอาการปกติเหมือนเดิมไม่ยินดียินร้ายอะไรกับสีหน้าอาการของบุคคลที่นั่งฟังเรื่องของเขาเล่าอยู่สิ่งที่ผมเล่าเหล่านี้มันเป็นการขอร้องอ้อนวอนของผู้คุณเองแล้วผมก็ไม่ได้มีอัถประโยชน์อะไรเลยสักนิดในการที่จะบรรยายถึงเรื่องที่คุณเห็นเป็นสิ่งขบขันเหล่านี้ แลวผมก็ขอเว้นที่จะออกความเห็นหรือโต้แย้งว่ามันเป็นความจริงหรือความเท็ดใดๆทั้งสิ้นผมทราบหรือผมเห็นมาอย่างไรผมก็เล่าให้ฟังไปเช่นนั้นดารินยากไร่ถ้าคุณโกรธฉันก็ขอโทษฉันพี่ใหญ่และชัยยันเดินทางรอบโลกมาแล้วคนละสองครั้งแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆมากมายแต่ฉันขอรับรองว่า ไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องอัศจรรย์พิรุกเกือกกืออย่างนี้มาก่อนเลยนอกจากในนิทานหรือในหนังสืออ่านเล่นผมไม่ได้โกรธอะไรเลยครับคุณหญิงดารินมันเป็นสิทธิ์ของคุณหญิงและทุกคนที่ได้ยินจะนึกคิดเช่นนั้นได้รพินเน้นเสียงตอบชัดเจนยิ้มนิดนิดที่ริมฝีปากอันขึ้นไปด้วยคราวเขียวหม่อมราชวงหม่อมราชวงหญิงคนงามตวัดทงตาเหมือนจะค้อนให้ เพราะรู้สึกในน้ำเสียงกระแทกของเขาคำว่าคุณหญิงที่เขาเรียกนั้นหล่อนเสือกเอกสารแผ่นนั้นคืนมาให้เขารพินภัยวันพับเก็บหน้าตาเฉยพร้อมกับลุกขึ้นยืนแต่หม่อมราชวงศ์เชษฐารีบพูดขึ้นโดยเร็วพร้อมกับเอื้อมมือมาจุดแขนไว้โปรดนั่งเถิดครับคุณรพินผมต้องขอโทษแทนน้องสาวด้วยผมทราบดีว่าคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในการที่จะมาเล่านิทานโกโหกให้เราฟังโดยเจตนา แต่คุณก็ควรจะยอมรับว่าเรื่องนี้ประหลาดมากเหลือเกินดูเหมือนผมจะเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าผมเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ทางฝ่ายคุณจะต้องระงับสติอารมณ์ให้ดีหน่อยผมก็ทราบว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อและตัวผมเองก็คิดว่ามันเหลือเชื่อแต่บอกแล้วยังไงว่าผมเล่าในสิ่งที่ผมได้เห็นและได้ยินได้ฟังมาไม่ได้รับรองยืนยันเลย ถ้าพวกคุณทั้งหมดสนใจในเรื่องนี้อยากจะเห็นต้นฉบับแท้จริงซึ่งเป็นลายมือที่เขียนด้วยเลือดลงไว้ในแผ่นหนังโบราณแล้วก็ตามผมไปที่บ้านพักหนองน้ำแห้งติดครับผมยินดีที่จะให้พวกคุณเห็นและมินิฉัยเอาเองคุณยังไม่ได้เล่าให้เราฟังถึงชดประชากรเลยครับพันตีชัยยันตัดบทมาอย่างอ่อนโยนพรานใหญ่หัวเราะหึอหอ่อยู่ในราคอ ชำเลืองไปทางหม่อมราชวงศ์ดาดินอีกครั้งคราวนี้หล่อนค้อนเอาจริงๆสบัดหน้าไปทางอื่นพอดีกับที่ผู้อำนวยการบริษัทมาช่วยวิงวอนขอร้องมาอีกคนเขาจึงสุดกายลงนั่งตามเดินหนานอินคนใช้อันเป็นพรานพื้นเมืองของคุณชดผมรู้จักสนิทสนมดีมาก่อนเขาเล่าต่อไปเป็นพรานมือดีคนหนึ่งทีเดียวเช้าวันที่คุณชดจะออกเดินทาง ผมเห็นหนานอินยืนอยู่ข้างๆแคมป์ของผมกำลังหั่นใบกัญชาอยู่กับตอไม้เกลี้ยงหนานอินแกกับเจ้านายกำลังจะไปไหนกันหนะ้าหาช้างงาเหรอผมถามเปล่าครับเจ้านายเราจะเดินทางไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งมีค่ายิ่งกว่างาเสียอีกอะไรพลอยกำลังเปล่าครับมีค่ายิ่งกว่านั้น นานอินยืนกลานหัวเราะยิงฟันผมก็ไม่ได้ถามเซาซีอะไรเขาอีกและที่ถามก็ถามไปงั้นเองไม่เจตนาจะซอกแซกสอดรู้อะไรนานอินหันและยำกัญชาใส่กระบอกสูบอัดควันเข้าไปสองบ้องก็เดินเข้ามากระซิบตาทราบกับผมเจ้านายครับหืมว่าไงามีอะไรหรือนานอินผมกับเจ้านายของผมกําลังจะเดินทางไปหาเพชรเพชร ผมอุทานออกมาอย่างประหลาดใจบะอะไรกันไปหาเพชรเพชรที่ไหนกันในดงโนนแกจะไปหาเพชรแกก็ต้องไปเดินอยู่แถวบ้านม่อในกรุงเทพสิผมสับย์ย่อเขาปนหัวเราะแต่คราวนี้เขาไม่ได้หัวเราะหรือเห็นเป็นเรื่องขบขันด้วยพูดได้เสียงจริงจังขึ้นเจ้านายไม่เคยได้ยินถึงขุนเขาพระศิวะมาบ้างเลยหรือครับผมยิ่งหัวเราะดังขึ้นเออว่ะ เคยได้ยินนิทานส ป, ปรปางเคนั้นอยู่บ้างเหมือนกันแหละทําไมไม่ใช่นิทานครับเจ้านายมันเป็นเรื่องจริงครั้งหนึ่งผมได้รู้จักผู้หญิงชาวขาวคนหนึ่งหล่อนมาจากที่นั่นและมาถึงพร้อมกับลูกชายเล็กๆของหล่อนหล่อนเล่าให้ผมฟังแต่เดี๋ยวนี้หล่อนตายเสียแล้วเจ้านายของแกจะกลายเป็นอาหารของอีแรงเสียก่อนถ้าหากว่าเขาจะพยายามไปให้ถึงขุนขาวพัศิวะอย่างว่านั้นแกเองก็เหมือนกันนานอิน พวกหมานายมันจะแทะ ก, กระดูของแกอย่างอร่อยทีเดียวนานอินยิ้มผมเห็นตาเขาเป็นประกายแห่งความเชื่อมั่นและหวังเต็มเปี่ยมคนเราเกิดมามันก็ต้องตายทั้งนั้นแหละครับเจ้านายผมมันนักเผชิญภัยเสียด้วยว่าอันที่จริงช้างงาแถวนี้ก็ดูเหมือนจะลดน้อยหายากไปทุกวันคนมันกวนหนักการเตือนแกด้วยความหวังดีจริงๆนะนานอิน บอกเจ้านายของแกให้เปลี่ยนความตั้งใจเสียดีกว่าเขาได้แต่หัวเราะแล้วก็ผะไปครึ่งชั่วโมงต่อมาผมได้เห็นเกวียนของคุณชดเริ่มออกเดินทางทันใดนั้นเองนานอินก็วิ่งหน้าตั้งย้อนกลับมาที่แคมป์ของผลพูดระรำระลักผมลาก่ระครับเจ้านายชักสงอนรใจไงพิกลในคำพูดของเจ้านายแต่ถึงอย่างไรผมก็ทิ้งคุณชดไม่ได้ แต่ว่าแกกับเจ้านายไม่เปลี่ยนความตั้งใจแน่นะครับถ้างั้นคอยเดี๋ยวฉันจะฝากอะไรไปให้เจ้านายของแกหน่อยแต่แกจะสัญญากับฉันได้ไหมว่าแกจะยังไม่ปิดส่งให้กับเขาจนกว่าจะเดินทางไปถึงหล่มช้างผมรับรองครับดังนั้นผมจึงฉีกกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งออกมาแล้วเขียนข้อความลงไปว่า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 ก็คือข้อความที่ผมคัดลอกออกมาจากรายแทงของมังมหานรธาที่ผมได้รับมอบต่อมาจากเนวินที่ตายนั่นเองด้วยความคิดว่าถ้าเขาบุกบั่นฟันฝ่าไปยังเทือกเขาพระศิวะจริงข้อความเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์อะไรแก่เขาได้บ้างแล้วผมก็สั่งกับนานอินว่านี่นานอินเมื่อแกเอาจดหมายของฉันให้กับเจ้านายของแกจงบอกเขาด้วยว่าเขาได้คําแนะนําที่ดีอันนี้โดยสิทธิ์ขาด จงไปตามนั้นเถิดแกอย่าเพิ่งให้เขาเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าฉันไม่ต้องการให้เขาย้อนกลับมาซักถามอะไรฉันอีกเอาละแกไปเถอะเกวียนของคุณชดกำลังจะรับไปนอ่นแล้วนานอินรับจดหมายจากผมแล้วก็รีบวิ่งผ่าไปตามเกวียนนั้นไปนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมรู้เห็นได้ประสบมากับตนเองเกี่ยวกับน้องชายของคุณที่ใช้ชื่อว่าชดประชากรผมเกรงเหลือเกินครับคุณเชษฐาเกรงว่า พรานใหญ่หยุดพูดไปเสียเฉยๆโดยเว้นระยะไว้ให้ทุกคนคิดเอาเอง mm. ภายหลังจากกลิ่นบรันดีเพิ่มเติมให้กับจอมผ่านผู้เล่าเรื่องราวทั้งหมดและดินให้แก่ตนเองยกขึ้นจิบแล้วหม่อมราชวงเชษฐาพูดขึ้นด้วยเสียงชัดเจนหนักแน่นคุณระพินครับผมได้ตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนแล้วผมกำลังจะออกเดินทางตามตัวน้องชายของผมจนกว่าจะพบเขา หรือจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อรู้แน่จากคุณว่าเขามุ่งหน้าไปยังเทือกเขาพระศิวะผมก็จะบุกบันติดตามไปที่นั่นปัญหามันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นขณะนี้ก็คือผมต้องการคนนำทางที่มีสมรรถภาพที่ผมไว้วางใจได้หรือพูดให้ตรงก็คือผมมองไม่เห็นใครเลยที่จะเหมาะเท่าคุณความเงียบก็ปกคลุมห้องนั้นอีกครั้งทุกสายตาจับมาที่จอมพรานเป็นจุดเดียว เห็นเขาขยับตัวอย่างอึดอัดยิ้มออกมาอย่างสำรวมก่อนอื่นผมขอบคุณที่ให้เกียรติผมและผมขอเรียนตามตรงเหมือนกันว่าผมยังรักชีวิตของผมอยู่แม้จะเป็นชีวิตที่แร้นแค้นยากเข็นหาเช้ากินข้ามอย่างที่ผมเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ลาพังผมน่าไม่เท่าไรหรอกครับผมยังมีแม่ผู้อยู่ในอุปการะดูแลของผมอีกคนนึง ท่านแก่มากแล้วและมีผมเป็นที่พึ่งของท่านเพียงคนเดียวในโลกทุกคนหันมามองดูตากันเองอีกครั้งคุณพูดเหมือนกับว่าการเดินทางของเรานี้ครั้งนี้ต้องการเดินไปสู่ความตายชายันร้องออกมาเบาๆหรือจะพูดเสียใหม่ว่าความคิดที่จะเดินทางไปยังเทือกเขาพระศิวะเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุดก็ได้ครับระพินไัยวันตอบเรียบ ชนิดที่ทำให้ทั้งหมดอึง้งก็ไหนกิติศักดิ์ร่ำลือกันนักยังไงว่าเลือดของพรานใหญ่ระพินภัยวันค้นยิ่งกว่าน้ำมากนักหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินพูดมาร่อยๆพร้อมกับอาการยิย้มยาะดูร่อนเจตนาโดยตรงที่จะใช้วาจาอาการเป็นเครื่องกระตุ้นและเขาก็รู้เท่าทันตอบหน้าตาเฉยครับเป็นความจริงแต่คนเลือดค้นอย่างระพินภัยวัน ยังไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องฆ่าตัวตายเสียก่อนด้วยการกระทำเช่นนั้นน้อยผมอยากจะขอร้องให้เธอเฉยๆเสียก่อนดีกว่าพันตีชายยันหันไปมองดูตาเพื่อนสาวเชื้อสายราชกุลผู้คลุกคลีสนิทสนมกันมาแต่เล็กตะน้อยของเขาด้วยสายตาปรามและพูดน้ำเสียจงจริงจังขึ้นเป็นครั้งแรกหลอนหัวร้อหืๆก้มหลงคว้ามแมกกาซีนที่วางอยู่บนโต๊ะเล็กข้างๆ ข, ขึ้นมาพลิกเปิดดูเสีย ผมเชื่อผ่านผู้จัดเจนและชำนาญทางอย่างคุณครับว่าการเดินทางไปยังเทือกเขาพระศิวะเป็นการเสี่ยงอันตรายที่สุดหม่อมราชวงศ์เชิดากล่าวต่อมาด้วยความพยายามแต่ผมมีความมั่นใจอยู่ในบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือความเจตนาอันแน่วแน่และตั้งใจจริงของพวกเราทุกคนซึ่งถ้าได้ผนวกกับฝีมือความสามารถอันเยี่ยมยอดของคุณแล้วผมคิดว่ามันคงไม่พ้นความพยายามไปได้ ในการเดินทางครั้งนี้ผมขอบอกตรงๆว่าชีวิตของเราทุกคนย่อมขอฝากไว้กับคุณคนเดียวและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราพร้อมแล้วที่จะเผชิญต่อให้ความตายมาขวางหน้าก็เปลี่ยนความตั้งใจของเราไม่ได้ติดขัดอยู่ประการเดียวก็เรื่องคุณเท่านั้นเราพร้อมแล้วที่จะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไม่ว่าจะงบประมาณสูงสักเพียงไร และยินดีที่จะสนองบุญคุณตอบแทนคุณด้วยค่าจ้างตามแต่คุณจะเสนอเรียกร้องคุณไม่คิดจะให้ความหวังแก่เราบ้างเียหรือครับชายยันช่วยพูดมาอีกคนหนึ่งนายอัมพลผู้อํานวยการบริษัทซึ่งนั่งฟังเงียบเงียบไม่แสดงความเห็นอะไรมาตลอดเวลาเอื้อมมือมาตบแขนจอมพรานคณะของคุณชายจะเป็นนายทุนหมดทุกอย่างรวมทั้งจ่ายค่าจ้างพิเศษร่วงหน้าให้แก่คุณ ตามแต่คุณจะเรียกร้องเพื่อให้คุณเป็นพรานนำทางในครั้งนี้ต้องการเพียงให้คุณนำไปยังเทือกเขาพระศิวาให้ถึงเท่านั้นส่วนจะค้นพบคุณชายอนุชาหรือไม่นั้นก็แล้วแต่บุญตระก ร, รมไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการว่าจ้างคุณผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีชนิดหนึ่งของคุณที่จะรองรับไว้พิจารณานะครับท่านมีเจตนาแน่แน่หรือเกินและได้บุกบันมาจนพบคุณแล้วพร้อมทั้งขอร้องวิงวอน ส่วนเรื่องคุณแม่ของคุณก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรเลยนี่ครับคุณเรียกร้องหลักประกันไว้ให้ท่านล่วงหน้าได้เลยโดยให้ท่านรับเงินค่าเลี้ยงดูไปเป็นเงินก้อนสักก้อนหนึ่งหรือจะให้ทางคุณชายจ่ายให้เป็นรายเดือนตลอดไปจนกว่าจะถึงที่สุดของชีวิตท่านในกรณีที่คุณพลาดพรางเป็นอะไรลงไปคุณชายยอมเช่นนั้นไม่ใช่หรือครับประโยคหลังของหันไปถามหม่อมราชวงศ์เชษฐาอดีตทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์ ก้มศีรษะโดยเร็วรับหนักแน่นครับแน่นอนเรื่องนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยผมบอกแล้วขอให้ทางคุณรพีนเรียกร้องมาเถิดผมยอมทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่คุณรพินจะเสี่ยงชีวิตคนเดียวเท่านั้นพวกเราก็เสี่ยงเท่ากันทั้งนั้นเพราะเราไปด้วยกันชีวิตเราฝากไว้แก่กันก็เหมือนเราลงเรือลำเดียวกันนั่นแหละโดยมีคุณเป็นกัปตันชายยันสรุดท้ายยิ้มยิ้ม ทุกคนเห็นสีหน้าอันวางเฉยของรพินปรากฏรอยยิ้ม ก, กว้างๆออกมาเป็นครั้งแรกในตาเป็นประกายพึงพอใจนิยมยกย่องจับอยู่ที่ใบหน้าของเชษฐาและชัยยันอย่างเปิดเผยผมขอคำนับให้แก่ความเป็นลูกผู้ชายและความเป็นนักกีฬาของคุณทั้งสองครับผมเองยอมรับว่ายังไม่เคยเห็นใครมีน้ำใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและกว้างขวางเหมือนอย่างคุณทั้งสองเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพระนครที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอยู่ท่ามกลางความสะดวกสบายผาสุขนานาประการเราเลยปัญหาข้อนี้ไปเสียก่อนเถอะสมมุตินะครับสมมุติว่าผมตกลงนำทางให้และเราได้ไปถึงที่นั่นโดยไม่ตายเสียก่อนมิหนำซ้ำยังได้พบกับขุมเพชรพระอุมาอันเป็นความฝันลมๆแ้งๆนี้ฝ่ายคุณอันเป็นฝ่ายในทุนว่าจ้างผม ได้คิดอะไรไว้บ้างแล้วหรื อ, อยังว่าเราจะจัดการกันอย่างไรหม่อมราชวง์เชษฐาตอบโดยไม่มีการดังเลเลยว่าด้วยเกียรติยศของลูกผู้ชายผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าโชคราบใดๆก็ตามที่เราจะไปประสบพบมันในการเดินทางครั้งนี้เราจะแบ่งกันออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันคือผมฝ่ายหนึ่งชายยานผู้ยอมเสี่ยงชีวิตมาด้วยฝ่ายหนึ่ง และคุณเองในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนร่วมเป็นร่วมตายเพราะผ่านนำทางอีกฝ่ายหนึ่งหรือเท่ากับเอาสามหารยุติธรรมดีไหมครับจอมพรานลุกขึ้นยืนพร้อมกับก้มศรีรษะให้เชษฐถานี่เป็นข้อเสนอที่เผื่อแผ่มีน้ำใจนักกีฬาเสียยิ่งกว่าที่ผมคิดและผมก็ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเลยในชีวิตนักลาสัตว์จนๆปราศจากความหมายใดๆสาหรับใครทั้งสิ้นอย่างผม หมายความว่าคุณตกลงชายยันร้องออกมาอย่างวิงโรดมันเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สำคัญยิ่งในชีวิตของผมครับดังนั้นขอให้ผมได้มีเวลาใครครวนอีกสักนิดจะให้คำตอบแก่พวกคุณได้ภายในไม่เกินสามวันนี้ก่อนหน้าที่ผมจะกลับไปยังสถานีดักสัตว์ของผมที่หนองน้ำแห้งผมยังพักอยู่ที่ตำบล น, นี้อีกสองสาวันยกเว้นจาก หม่อมราชวงศ์ดารินผู้อ่านหนังสือเฉย อ, อยู่ในขณะนี้ทุกชายภายในห้องอันเป็นฝ่ายเจ้าภาพยืนขึ้นหมดนายอัมพลผู้อำนวยการบริษัทจับแขนเขาไว้พร้อมกับพูดอย่างกระตือรือร้นว่าถ้าง้นเย็นนี้ผมคุณชายคุณชายยานันและคุณหญิงดารินขอเป็นฝ่ายเจ้าภาพเชิญคุณร่วมรับประทานอาหารเย็นที่นี่คุณจะขัดข้องไหมครับผมต้องขออภัยครับเย็นนี้ผมบังเอิญไม่ว่าง เพราะติดนัดเลี้ยงพวกพานพื้นเมืองเพื่อนเก่าๆของผมเสียแล้วนานๆเราจะได้พบปะสังสรรค์รวมหมู่กันสิทีและผมเองก็เปรียบเหมือนหัวหน้าของเขาเหล่านั้นได้อาศัยพึ่งพาเขาอยู่เสมอกรุณายาให่ผมผิดนัดกับเขาเลยครับถ้างั้นคุณจะให้โอกาสนี้แก่เราได้เมื่อไรครับเชษฐาถามมาโดยเร็วสีหน้าแช่มชื่นมีความหวังขึ้น ถึงอย่างไรพวกผมก็จะต้องค้างพักอยู่กับคุณอัมพลที่นี่ก่อนบอกตามตรงอยู่ที่นี่ก็เพื่อรอคำตอบจากคุณนั่นแหละครับสักพรุ่งนี้เที่ยงคุณพอจะปรีกเวลาได้ไหมได้ครับระพินตอบสั้นๆแล้วกล่าวอำลาทุกๆคนหยิบหมวกคา ด, ด้วยหนังเสือดาวของเขาขึ้นมาสวมเดินดุ่มๆออกจากห้องนั้นไปทั้งหมดมองตามร่างของพรานใหญ่ไปจนกระทั่งลับแล้วยืนดักอยู่ที่หน้าต่างบ้านเดิม เมื่อร่างเปลี่ยวของรพินเดินอยู่ยังบริเวณด้านล่างอันเป็นสถานีกักสัตว์ของนายอำพลบราโวเห็นเฉพอมีหวังหรื อ, อยังไงคุณอำพลชัยยานร้องออกมาพลางหันมาขอความเห็นเจ้าของสถานที่ครับผมก็คิดอย่างนั้นบางทีเราอาจจะได้คำตอบแน่นอนจากเขาในตอนเที่ยงพรุ่งนี้ก็ได้การไปครั้งนี้ชีวิตของพวกเราทุกคนฝากไว้กับเขา หม่อมราชวงเชิดถาอันเป็นหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นแผ่วเบาอย่างสุขุมรอบครอบขณะที่มองจับร่างอันเดินอยู่ดุมๆของรอพินซึ่งกำลังจะรับหายเข้าไปในรถจี๊ปคันหนึ่งถึงแม้ผมจะพอใจและมั่นใจในสมรรถภาพของเขาสักเพียงไรก็ตามขอให้ผมได้รับความเห็นจากคุณอีกครั้งเถิดกำพลชีวิตอนาคตของเราทั้งหมดพอจะฝากไว้กับเขาได้แน่หรือ เท่าที่ผมรู้จากเข้ามานะครับคุณชายผมขอรับรองได้ในเฉพาะด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นสุภาพบุรุษเชื่อถาถอนใจออกมาอีกครั้งพึมพำ